เจดีขององค์หลวงตามหาบัวเพราะว่าเจดีของหลวงตาเนี่ยหลวงตาจุตินี่แลรวผ่านไปแล้วสปีนะลูกหลานคณะจัทธาญาติโยมเนี่ยวันที่30ม0ามมกราเนี่ยแปลว่าครบสปีพอดีเจดี JD ก็ยังเริ่มล ะ, ะท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าขึ้นป้ายลว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 ปี58ในความคิดของทุกคนผู้เกี่ยวข้องนะแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็ประชุมกันเมื่อที่ศาลากลางกับท่านผู้วาราชการจังหวัดครั้งหนึ่งแล้วปีนี้นี่เร็วๆนะเมื่อเดือนธันวานะแล้วก็วันที่27 <c oughs> ก็ประชุมกันอยู่ที่สวนแสงธรรมกรุงเทพ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 น่าจะเป็นอย่างนั้นพอเราเป็นผู้ลำลึกถึงพระคุณถ้าว่าผู้ใดก็ตามลำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรคุณอยู่กับตนไว้ในอยู่เสมอนะผู้นั้นจะไม่ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็น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 ให้ศีลให้พรเนี่ย เ, เสียงดีนิสัยคล่องแคล่วกูบาอาจารย์เอ้สัมมาเดนวันนี้กาวสาธยายธรรมข้อนี้สิแต่คาว่าไม่ครับเนี่ยไม่มีสัมมาเดนมีแต่ว่าพระสงฆ์ใช้ทมเลยเาสาธยายธรรมพอจบลงแล้วสัมมาเนกับอุทิศส่วนกุศลนะอพอทา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 แต่ในอดีตชาติแม่ของสัมมาเดชเคยทำทำกรรมเนี่ยเป็นได้เป็นยักษคีนีได้เป็นยักษนะ์ยักษ์คีนีแต่ว่าพอรู้ว่านี่ลูกชายมาบวชยักษคีนีคนนี้เขารู้สึกดีอกดีใจพาเห็นลูกชายบวชแปลว่าสัมมาเดชมีแม่สองแม่มนุษย์หนึ่งแนะแม่ยักษิีนีหนึ่งฮนะต่อมา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 ให้บวชให้พระพุทธศาสนาแล้วแล้วกลับจะมากับมาหาความทุกข์อีกเหรอลูกก็อย่ั้นเออแต่ไม่เอาเธอนะ่นั่งอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะทำข้าวต้มอะไรให้ทานซะก่อนแล้วจกแม่จะทำอาหารให้ทานอีกอาหารหนักให้ทานอีกที่หลังใ<อ>จัดอานาเรียบร้อยแล้วให้ลูกชายนั่งแล้วก็ดื่มน้ำยาคู น้ำข้าวต้มเสร็จแล้วแม่กำลังไปซาวข้าวที่จะนึ่งข้าวหุงข้าวทาตอยแต่นี่นางยักกินีที่เป็นแม่เก่านะเอลูกชายของเราจะไปไปที่ไหนได้อาหารอล้อย่างนั้นขนาดเป็นยักษินีเป็นเทดเนวดนะายังเป็นห่วงเนี่ยยังเป็นห่วงลูกชายวาัได้อาหารอะไรอย่างน้อวันในลูกของเรานะ่ยนี่นแหละแม่ในอดีตก็ยังปิดนึกเป็นห่วงพอมาตามมามาเห็น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 แต่นี่สัมมาเนเนี่ยเป็นผู้มีเป็นผู้มีม จ, จิตใจไฟไปทางคารวาสมันออกออกออกออกไปนอกลูก่นอกทางมาเออจากนั้นพอสัมมาเนก็เลยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เอา้าทําไมคุณแม่ทําไมอาตมาเนนเป็นยังไงทําไมเป็นอย่างนี้นะแม่นั่งอยู่ดีๆเห็นแม่กําลังซาวข้าวจะทํา ฉัเออหงข้าวอยู่นึกก็มองดีดีมันทำมเป็นีรคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะั่นแหละงั้นเนี่ยนะลูกนะแม่คิดได้อย่างเดียวถึงลูกจะตายในในฆราวาสเนี่ยออกไปเป็นคราวาส เ, เหมือนกับลูกตายแต่ถ้าวันลูกเป็นเป็นนักพรตนักบวชอยู่ตรงนี้นะแม่ว่าลูก ยังมีชีวิตยอยู่นะถ้าลูกออกไปกราวานแม่จะเสียใจเหมือนกับลูกตายแล้วนะถ้าหากว่าลูกยังมีอยู่ยังเป็นนักพรตนักบวชอเหมือนกับลูกของเราลูกของแม่ยังมีชีวิตยอยูอ่ขอให้ลูกอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปเถอะนะลูกนะวอาทางลูกชายนะก็หงุ อ, อาถาแม่อยากจะให้ผมบวชเอา้าตั้งแต่บันนี้ไปจะ อ, อยู่ตลอดไป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 ไปตามอำเภอใจจะให้มันป่งฟุ้งไปตามอำเภอใจบังคับให้อยู่กับสมาธิในเมื่อสมาธิจิตแล้วเดินปัญญาพิจารณากัรกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นท่านจะเอาชนะกิเลสภายในใจของท่านได้เจริญพระสานุสา ม, มเนากับปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระหรันจากนั้นท่านก็ <c oughs> เป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรม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 มีส่วนทุกครั้งที่ข้าพ ร, ระเจ้าประกอบคุณรักคุณงามความดีทุกครั้งด้วยเทนะินนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะการสถาทายญาติโยมลูกหลานเป็นเราเราประกอบรอเราไหว้พระเรารักษาศีลหรือเราให้ทานหรือเราทําบุญอะไรก็าตามหรือเราช่วยสาธารณประโยชน์อย่างไรก็าตามเมื่อทําเสร็จแล้วนะให้เรานอบจิตอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุนสาหรับพวกเราอันนั้นจะโูกหลักในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุนพวกนี้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าอย่าลืมทุกครั้งกาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลจบแล้วเราก็ให้อุทิศส่วนกุศลทุกครั้งเพราะว่า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 อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันท่านก็มีบุคระชาติหรือว่าอดีตชาติของท่านมันมีทุกคนเพราะนั้นในอดีตชาติของเราบางชาติก็เราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเพ้อเพลยังทำความชั่วอีกต่างหากแต่บางชาติก็ทำแต่คุณงามความดีความชั่วน้อยแต่บาง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 เพราะกรรมเก่าให้ผลเพราะนั้นในหลักของพระศาสนาท่านเ น, น้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอย่าทำความชั่วเนอะทำแต่คุณงามความดีเ <ME> มื่อทำคุณงามความดีเสร็จแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายด้วยนในหลัวันนี้พวกเราก็ได้มาสู่วัดวาศาสนาปิดงานมาทบุญปีใหม่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 ท้าช่างเขากำลังจะทำอยู่งดปีใหม่ล้วก็ช่างเขาก็หยุดหยุดไปปีใหม่ผ่านไปแล้วนะเขาคงจะไม่กี่วันวที่วันน่าจะเสร็จเพราะเราไม่ได้ทำอะไรมากพิจะต่อเติมต่อปีกออกต่อปีกออกค่อยมันกว้างขึ้นมันแคบเราตีออกมาใช้สลาข้างนอก <c oughs> แต่บางคนกัลูกหลานบางคนก็มาก็ไม่รู้ว่าหลวงวัดของเราไปอยู่ตรงนี้ตรงข้าม นุ่นเขาไปสูส่ศาลาข้างในก็ไม่ลู้กกี่หมูเกีบเพื่อนเหมือนกันนะหลายคนมาเนั้นถนะลามเข้าไปข้างในก็ไปข้างในเขาไม่เห็นผ้าเห็นขนเงียบจังเอ๋หลวงพ่อไปไหนเน่ย <c oughs> ก็มีคนแก่คนหนึ่งเฝ้าอยู่นั่นนะ่ะเฝ้าอยู่ศาล า, า <c oughs> ก็เป็นผู้บอกให้ลูกหลานคณะสัทธาแย่งโยงออกมาข้างนอกนะ